17. หลักของการปฏิบัติธรรมวงเล็บเปิด2 0มีนาคม2552ในวงเล็บหนึ่งวงเล็บปิดพวกเราต้องเรียนให้ดีนะว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรจับหลักให้แม่นแม่นไว้ท่านสอนให้มีสติรู้กายรู้ใจเมื่อวานมีพระมาเล่า ว, ว่าไปเรียนมาจากสำนักหนึ่งเขาให้น้อมใจให้อยู่ในความว่างแล้วท่านไปได้ยินหลวงพ่อเทศที่ธรรมาศาสตร์ว่า อย่าน้อมใจให้อยู่ในความว่างให้รู้รูปรู้นามให้รู้กายรู้ใจเพราะพระพุทธเจ้าสอนกายานุปัสสนาเวทนานุปัสสนาจิ ต, ตานุปัสสนาธรรมานุปัสสนาพระพุทธเจ้าไม่เคยสอนสุญญาตานุปัสสนานี่ถ้าเราเรียนให้ดีนะเราไปฟังปุ๊บเรารู้เลยคนที่สอนบอกให้ไปอยู่ในความว่างไม่ใช่แล้วสอนผิดจากที่พระพุทธเจ้าสอนแล้ว ถ้าเราชอบคําสอนอย่างนั้นก็ได้ก็ไปเป็นลูกศิษย์สํานักนี้แต่อย่าบอกว่าเป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าเพราะพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนพระพุทธเจ้าสอนสติปัฏฐานสอนให้รู้กายรู้เวทนารู้จิตรู้ธรรมมีแต่เรื่องรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดเลยไม่มีสอนให้ดูความว่างหลวงปู่มั่นสอนด้วยซ้ําไปว่าเครื่องหมายคําพูดเปิดระวังอย่าให้จิตไปติดเฉยปิดเครื่องหมายคําพูดอย่าให้ติดเฉยติดว่างฉะนั้นระมัดระวัง เวลาภาวนาเรียนให้แม่นหลักของการปฏิบัตินี่ท่องไว้เลยเครื่องหมายคำพูดเปิดให้มีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิต ท, ที่ตั้งมั่นและเป็นกลางปิดเครื่องหมายคำพูดจำไหวไหมต้องมีสติรู้กายรู้ใจไม่ใช่มีสติแล้วรู้อย่างอื่นมีสติแล้วรู้ความว่างนี่ผิดแล้วรู้กายรู้ใจต้องรู้ตามความเป็นจริงคือต้องเห็นไตรลักษณ์ความเป็นจริงของกายของใจคือไตรลักษณ์ ถ้าดูกายดูใจแล้วไม่มีไตรลักษณ์ก็ไม่ใช่อีกแล้วเช่นเห็นท้องพองยุบแล้วจิตนิ่งอยู่ที่ท้องเดินจงกรมจิตไปนิ่งอยู่ที่เท้าไม่เห็นไตรลักษณ์ต้องเห็นไตรลักษณ์ของกายของใจสติก็ต้องสติตัวจริงสติเกิดอัตโนมัติสติเกิดขึ้นเองเพราะจิตจาสภาวะได้แม่นไม่ใช่สติเกิดจากกาหนดหลักต้องแม่นนะหลวงพ่อบอกเครื่องหมายคาพูดเปิดให้มีสติรู้กายรู้ใจ ตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางปิดเครื่องหมายคำพูดมีสติสติเกิดจากการที่จิต จ, จำสภาวะได้แม่นสติไม่ได้เกิดจากการกําหนดไม่ได้จงใจจะรู้กายไม่ได้จงใจจะรู้ใจแต่มันรู้ของมันเองสติระลึกขึ้นเองสติเป็นอนัตตาต้องรู้กายรู้ใจไปรู้ของอื่นไม่ได้เช่นเดินจงกลมและไปรู้ว่าพื้นเย็นพื้นร้อนพื้นอ่อนพื้นแข็งอะไรนี่ไกลเกินไป มันเป็นรูปเป็นนามเหมือนกันเป็นรูปนามภายนอกแต่ว่าไม่มีประโยชน์ไม่มีใครเห็นว่าพื้นเป็นตัวเราความรู้สึกเป็นตัวเราอยู่ภายในกายในใจนี้ฉะนั้นภาวนาอย่าให้เกินกายเกินใจออกไปบางคนถามว่ารู้รูปนามภายนอกได้ไหมในสติปัฏฐานพูดเรื่องรูปนามภายนอกรูปนามภายในท่านพูดคู่กันเพื่อให้เห็นว่าทั้งหมดนั้นมันเสมอกันไม่ใช่เรียนรู้แต่ของข้างนอกแล้วไม่เห็นตัวเองใช้ไม่ได้ ท่านชี้ว่ารูปนามภายนอกภายในรูปนามที่ใกล้ที่ไกลรูปนามที่หยาบที่ละเอียดสิ่งเหล่านี้ชี้ขึ้นมาเพื่อให้เห็นว่าทั้งหมดทั้งสิ้นไม่มีตัวเราไม่ควรยึดถือการภาวนาให้รู้ลงที่กายรู้ลงที่ใจอย่าให้เกินกายเกินใจออกไปอาจารย์มหาบัว ก, ก็สอนหลวงพ่ออย่างนี้บอกว่าให้มีสติรู้กายรู้ใจลงปัจจุบันไปทีนี้รู้กายรู้ใจแล้วต้องรู้ตรงตามความเป็นจริงคือต้องเห็นไตรลักษ ถ้าเห็นแต่กายเห็นแต่ใจเฉยๆเรียกว่าเพ่งกายเพ่งใจเป็นสมถะอย่างดูท้องพองยุบแล้วจิตไปเกาะนิ่งอยู่ที่ท้องอย่างนี้เป็นสมถะถ้าดูท้องพองยุบอยู่เห็นร่างกายมันพองเห็นร่างกายมันยุบจิตเป็นคนดูร่างกายที่พองที่ยุบไม่ใช่ตัวเราจิตที่เป็นคนรู้ไม่ใช่ตัวเราอย่างนี้ถึงจะทาวิปัสสนารู้ตามความเป็นจริงทีนี้ทาอย่างไรจะรู้ตามความเป็นจริงได้ตรงนี้เป็นส่วนขยาย เราจะรู้ตามความเป็นจริงได้ก็ต้องมีจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางนี่เป็นเงื่อนไขเพราะฉะนั้นตัวคีย์เวิร์ดในวงเล็บคำสำคัญแท้ๆก็สั้นนิดเดียวมีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงทีนี้จะตามความเป็นจริงได้จิตจะต้องตั้งมั่นจิตจะต้องเป็นกลางที่จิตตั้งมั่นเป็นกลางนี่เรียกว่าจิตมีสัมมาสมาธิสัมมาสมาธิเท่านั้นแหละเป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญา ถ้าขาสัมมาสมาธิคือความตั้งมั่นและเป็นกลางจะไม่เกิดปัญญาเมื่อไม่มีปัญญาก็คือไม่เห็นกายเห็นใจตามความเป็นจริงไม่เห็นไตรลักษ์การเห็นไตรลักษ์นั่นแหละเรียกว่าปัญญาในหลวงเคยไปหาหลวงปู่เทศถามหลวงปู่เทศว่าเครื่องหมายคำพูดเปิดอะไรเป็นที่สุดของศีลอะไรเป็นที่สุดของสมาธิอะไรเป็นที่สุดของปัญญาปิดเครื่องหมายคำพูดท่านระดับในหลวงท่านต้องถามที่สุดแหละ ถ้าระดับเราอะไรเป็นเบื้องต้นของศีลอะไรเป็นเบื้องต้นของสมาธิอะไรเป็นเบือออเเบ้องต้นของปัญญาใช่ไหมที่นี่พระเจ้าอยู่หัวท่านภาวนาเก่งภาวนาดีบารมีมากท่านถามสุดยอดเลยอะไรเป็นที่สุดของศีลอะไรเป็นที่สุดของสมาธิอะไรเป็นที่สุดของปัญญาหลวงปู่เทศตอบว่าที่สุดของศีลคือเจตนาวิรัตเจตนางดเว้นอย่างเด็กแรกเกิดนี่เป็นชู้กับใครไม่ได้ใช่ไหมบอกว่ามีศีล ไม่ผิดศีลกาเมไม่เป็นชู้กับใครไม่ใช่เด็กมันไม่มีปัญญาเป็นชู้แก่งากเลื้อยคลานอยู่ตามพื้นแล้วไม่เป็นชู้กับใครอันนี้ไม่ใช่ศีลนะอันนั้นไม่มีปัญญาทำชั่วมีศีลหมายถึงว่าทั้งทั้งที่มีกำลังที่จะทำมีโอกาสที่จะทำแล้วหากข้ามใจได้ไม่ทำนั่นแหละถึงจะเรียกว่าศีลที่สุดของสมาธิคืออัปปนาสมาธิไม่ใช่คณิกะสมาธิไม่ใช่อุปจารสมาธิ ที่สุดของปัญญาคือการเห็นไตรลักษณ์จำไว้นะนี่หลวงปู่เทศสอนอย่างนี้เลยฉะนั้นการมีปัญญานี่ต้องเห็นไตรลักษณ์ถ้าไม่เห็นไตรลักษณ์ไม่เรียกว่ามีปัญญาถ้าเห็นไตรลักษณ์แจ่มแจ้งจะเห็นนิพพานปัญญาในฝ่ายโลกิยะนี่สูงสุดเลยก็จะเห็นไตรลักษณ์สูงขึ้นไปนะเกิดมรรคเกิดผลก็จะเห็นนิพพานฉะนั้นในระหว่างการปฏิบัติอยู่นี่ปัญญาคือการเห็นไตรลักษณ์นั่นเอง ทีนี้เราจะเห็นความจริงคือเห็นไตรลักษณ์ของกายของใจได้จิตต้องตั้งมั่นจิตต้องเป็นผู้รู้ผู้ดูอยู่ตัางหากเห็นร่างกายยืนเดินนั่งนอนจิตเป็นผู้รู้ผู้ดูร่างกายมันเดินจิตเป็นคนดูร่างกายมันนั่งจิตเป็นคนดูร่างกายมันนอนจิตเป็นคนดูร่างกายหายใจออกหายใจเข้าจิตเป็นคนดู มันจะเห็นทันทีเลยว่าไอ้ตัวที่ถูกรู้ถูกดูมันไม่ใช่ตัวเราเห็นทันทีเลยว่ามันเคลื่อนไหวมันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลานี่มันไม่เที่ยงมันถูกบีบคั้นอยู่ตลอดเวลานี่มันเป็นทุกข์มันไม่ใช่ตัวเราหรอกอันนี้เห็นอนัตตาดูจิตดูใจก็ดูไปเราเห็นจิตเกิดแล้วก็ดับไปการดูจิตนั้นเราไม่ดูจิตตรงๆเพราะตัวจิตตรงๆไม่มีอะไรให้ดูไม่มีอะไรที่จะทําให้หมายรู้ได้เลยว่ามีจิตอยู่ จิตคล้ายๆอากาศตรงหน้าเรานี่เรามองไม่เห็นนะแล้วเราก็คุ้นเคยอยู่กับมันมานานจนเราไม่รู้สึกว่ามีเรารู้ไหมว่าอากาศทับตัวเราอยู่น้ําหนักตั้งหลายตันเนี่ยอากาศทับเราอยู่ทั้งวันเลยเราไม่รู้สึกถึงความมีอยู่ของอากาศแต่ถ้าเราอยากรู้ว่ามีอากาศนะเราเอาขี้ฝุนมาโปรยเราเห็นลมมันพัดเห็นใบไม้ไหวมันอนุมานได้ว่ามันมีอากาศอยู่มีกลิ่นโชยมามีควันโชยมา มีควันสีต่างๆโฉยมามีสารแขวนลอยอยู่ในอากาศอะไรอย่างนี้มันทําให้พอสังเกตได้ว่าอากาศนี้มีอยู่จิตนี้ก็เหมือนกันโดยตัวของมันเองดูไม่ออกหรอกว่ามีจิตอยู่อาศัยเจตสิกคือสิ่งที่มาแทรกแซงมาประกอบจิตนั่นแหละทําให้เรารู้ถึงความมีอยู่ของจิตเห็นความโกรธเกิดขึ้นเห็นความโลภความหลงเกิดขึ้นเห็นความสุขความทุกข์เกิดขึ้นเห็นสิ่งโน้นสิ่งนี้เกิดขึ้นในจิตในใจ สังเกตดูไปเรื่อยๆสิ่งทั้งหลายเกิดมาแล้วก็ดับไปเช่นความโกรธเกิดมาแล้วก็ดับไปความโลภเกิดมาแล้วก็ดับไปความหลงอะไรต่ออะไรเกิดแล้วก็ดับทั้งสิ้นเลยดับไปเรื่อยๆในที่สุดมันจะเริ่มสัมผัสได้ตัวหนึ่งมีตัวหนึ่งเป็นคนรู้อยู่ความโกรธเกิดขึ้นความโกรธก็ถูกรู้ความโลภเกิดขึ้นความโลภก็ถูกรู้ความโลดับไปความดับของความโลภก็ถูกรู้นี่ทุกสิ่งทุกอย่างเกิดแล้วดับเกิดแล้วดับ อย่างนี้มันเลยอนุมานได้ว่ามีจิตอยู่จิตเกิดดับพร้อมกับเจตสิกจิตไม่ได้เกิดดับตามลําพังนะจิตมีเพื่อนอยู่ฝูงหนึ่งคือเจตสิกที่เกิดดับไปร่วมกับจิตเกิดอยู่ด้วยกันดับอยู่ด้วยกันพร้อมๆกันเช่นความโกรธเกิดขึ้นในขณะนั้นมีโทสะมูลจิตความโลภเกิดขึ้นในขณะนั้นมีโลภามูลจิตคือจิตที่มีโลภะความหลงเกิดขึ้นในขณะนั้นมีโมหะมูลจิต นี่มันจะรู้จักว่ามีจิตแต่ละชนิดชนิดไม่เหมือนกันทีนี้จิตแต่ละอันตแต่ละอันเกิดแล้วดับไปดับไปนี่เราเห็นความไม่เที่ยงของมันเราเห็นเลยจิตนั้นทนอยู่ไม่ได้นานอยู่ได้แวบเดียวก็ดับอยู่ได้แวบเดียวก็ดับฉะนั้นมันถูกบีบคั้นอยู่ตลอดเวลาเลยแล้วจิตนี่เราจะสั่งมันก็ไม่ได้สั่งให้เกิดที่ตาเกิดที่หูเกิดที่จมูกเกิดที่ลิ้นที่กายที่ใจสั่งไม่ได้จริงหรอก สั่งให้สุกก็ไม่ได้สั่งห้ามไม่ให้ทุกก็ไม่ได้สั่งให้ดีก็ไม่ได้ห้ามชั่วก็ไม่ได้มันทำงานของมันเองทำไปตามเหตุตามผลของมันเราสั่งไม่ได้บังคับไม่ได้เรียกว่าอนัตตานี่เราเห็นความจริงเราเห็นกันอย่างนี้แต่จิตต้องตั้งมั่นนะถ้าจิตไม่ตั้งมั่นจิตจะไหลไปเช่นพอโกรธขึ้นมาจิตก็ไหลไปรวมกับความโกรธอันนี้จะดูไม่ออกแล้วพอใจลอยพอคิดเรื่องโน้นเรื่องนี้ จิตไหลไปรวมกับความคิดอันนี้จะดูไม่ออกแล้วเพราะฉะนั้นจิตจะต้องถอยตัวออกมาดูห่างๆเห็นทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ห่างๆไปแล้วตัวจิตเองเราก็ต้องไม่ประคองไม่รักษาไว้เราก็จะเห็นตัวจิตเองก็เกิดดับไปด้วยเกิดดับไปพร้อมๆกับเจตสิกนั่นแหละนี่เราหัส ด, ดูไปนะหลักของการปฏิบัติมีเท่านี้แหละให้มีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงมีเท่านี้แหละ แต่จะรู้ตามความเป็นจริงได้ต้องมีจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางนี่เป็นส่วนขยายสติคือความระลึกได้สติไม่ได้แปลว่ากําหนดสติเกิดจากทีรสัญญาคือจิตจําสภาวะได้แม่นเพราะฉะนั้นอยากให้มีสติก็หัดดูสภาวะไปเรื่อยใจมันโลภก็รู้ใจมันโกรธก็รู้ใจมันหลงใจฟุ้งซ่านใจโหดหู่ใจสุขใจทุกข์คอยรู้สึกไปร่างกายหายใจออกร่างกายหายใจเข้าคอยรู้สึก คอยรู้คอยดูดูเล่นๆอย่าจ้องใส่อย่าไปเพ่งให้รู้เล่นๆรู้สภาวะเล่นๆไปดูสบายๆดูเล่นๆรู้บ้างเผลอบ้างหัดดูเล่นๆไปเมื่อจิตจำสภาวะได้แม่นแล้วสติเกิดเองพอสติเกิดแล้วนะสติจะระลึกรู้กายหรือระลึกรู้ใจเลือกไม่ได้แล้วเพราะสติเป็นอนัตตา ทีนี้ในขณะที่ระลึกรู้รูปนามถ้าใจเราตั้งมั่นและเป็นกลางอยู่มันจะเห็นเลยทุกอย่างทั้งรูปทั้งนามไม่มีตัวเราหรอกตั้งมั่นนะมันจะตั้งอยู่ตังหากเห็นทุกอย่างมาแล้วก็ไปไม่ใช่ไหลเข้าไปไม่ใช่จมแช่อยู่ในตัวอารมณ์ส่วนมากภาวนาแล้วจิตจะไหลเข้าไปอยู่ในตัวอารมณ์ทั้งนั้นเลยนั่นคือการเพ่งตัวอารมณ์เรียกว่าอารัมมณูปนิชฌานคือการทาสมถะอย่างเดินจงกรม จิตไหลไปอยู่ที่เท้าไปเพ่งอยู่ที่เท้านี่สมถะนั่งดูท้องพองยุบจิตไหลไปอยู่ที่ท้องนี่สมถะเรียกว่าจิตไหลไปรวมกับตัวอารมณ์เพ่งอารมณ์เรียกอารามณูปนิชฌานถ้าจิตเป็นแค่ผู้รู้ผู้ดูนะจิตตั้งมั่นอยู่มันจะเห็นว่าทั้งรูปทั้งนามธรรมนั้นไม่ใช่ตัวเราหรอกนี่ปัญญามันจะเกิดทีนี้พอจิตตั้งมั่นนะบางทีพอสภาวะเกิดแล้วยังไม่เป็นกลางอีกเช่นพอความโกรธเกิดขึ้น ใจทีแรกก็เห็นความโกรธเกิดความโกรธดับทีนี้พอใจไม่ตั้งมั่นปุ๊บเห็นความโกรธเกิดขึ้นใจจะเริ่มเข้าไปอินในวงเล็บมีอารมณ์ร่วมกับความโกรธแล้วไปยินดียินร้ายถ้าเมื่อไหร่ไปยินดียินร้ายแสดงว่าจิตไม่ตั้งมั่นไม่เป็นกลางแล้วการตั้งมั่นของจิตก็ต้องเรียนอีกถ้าตั้งไว้แข็งแข็งก็ใช้ไม่ได้ ต้องตั้งแบบเป็นธรรมชาติด้วยตั้งแล้วเกิดแล้วก็ดับไม่ใช่ตั้งอยู่ทาวอนไม่ใช่มีจิตดวงเดียวสว่างอยู่ทั้งวันทั้งคืน7วัน7คืนอย่างนั้นจิตไม่เกิดไม่ดับนี่ใช้ไม่ได้นะของปลอมฉะนั้นคำว่าจิตตั้งมั่นนี่เราก็ต้องเรียนสติเป็นอย่างไรเราก็ต้องเรียนวิธีรู้รูปนามจะรู้อย่างไรรู้รูปขีดรู้ลงปัจจุบันรู้นามขีดตามรู้นี่ต้องเรียนรู้ตามความเป็นจริงคือเห็นไตรลักษณ์ วิธีเห็นไตรลักษณ์ไม่ใช่คิดเอาจิต ท, ที่ตั้งมั่นเป็นอย่างไรจิต ท, ที่เป็นกลางเป็นอย่างไรต้องเรียนจิต ท, ที่ไม่เป็นกลางเป็นอย่างไรจิต ท, ที่ไม่ตั้งมั่นเป็นอย่างไรก็ต้องเรียนนี่ทุกวันที่หลวงพ่อสอนจะวนเวียนอยู่ในเรื่องเหล่านี้ทั้งสิ้นเลยเราจะค่อยๆเรียนไปจนเข้าใจขึ้นมาแต่ละจุดแต่ละจุดเหมือนต่อจิ๊กซอทีละตัวในที่สุดเราก็เข้าใจแล้วหัดดูสภาวะไปจนสติเกิด สติเกิดแล้วก็รู้ทันจิตมันตั้งมั่นหรือมันไม่ตั้งมั่นเราก็รู้ทันในที่สุดมันจะตั้งมั่นขึ้นมาแล้วมันจะเกิดปัญญาเห็นรูปเห็นนามเห็นกายเห็นใจตามความเป็นจริงคือเห็นไตรลักษณ์เมื่อเห็นความเป็นจริงจนแจ่มแจ้งแล้วจิตจะเบื่อหน่ายคลายกำหนัดคลายความยึดถือคลายความรักใคร่ในที่สุดจิตก็หลุดพ้นจากรูปจากนามจิตสลัดคืนรูปคืนนามให้โลกไปไม่ไปหยิบไปฉวยขึ้นมาอีก จิตเข้าถึงความบริสุทธิ์หลุดพ้นเป็นพระอรหันต์ตัวจริงไม่ใช่สว่างขึ้นมาฉันก็เป็นพระอรหันต์แล้วหันซ้ายหันขวาอยู่ไม่นานก็ตีกับหัวอีกเชื่อสิ